229วัด ส, สังวุตถานังอนุปันนจีวรกถาว่าด้วยจีวรยังไม่เกิดแก่ภิกษุผู้จําพรรษาเรื่องจีวรยังไม่เกิดขึ้นภิกษุหลีกไป373สมัยนั้นพวกภิกษุที่จาพรรษาแล้วเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น ตากรหลีกไปบ้างสึกบ้างมรณภาพบ้างปฏิญญาเป็นสามเณรบ้างปฏิญญาเป็นผู้บอกลาศิกขาบ้างปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมวัต ถ, ถุบ้างปฏิญญาเป็นคนวิกลจริตบ้างปฏิญญาเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านบ้างปฏิ ญ, ญญาเป็นคนกระสับกระส่ายเพราะเวทนาบ้าง ปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกสง์ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกสง์ลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาบบ้างปติญญาเป็นบรรัน덧บ้างปติญญาเป็นคนลักกะเพทบ้างปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีบ้าง ปติญญาเป็นสัตติระฉานบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาบ้างปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้างปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้างปติญญาเป็นผู้ทำลายสงฆ์บ้างปติญญาเป็นผู้ทำ้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตบ้าง ปติญญาเป็นอุพโตพยัญชนกบ้างภิกษุทั้งหลายจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ374พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุจำพรรษาแล้วหลีกไปเสียเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น เมื่อมีผู้รับแทนที่สมควรสงก็ผึ่งให้ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้วเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นสึกเสียมรณภาพลงปติญญาเป็นสามเณรปติญญาเป็นผู้บอกลาสิกขาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุสง เป็นเจ้าของจีวร น, นั้นพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พิกษุที่จำพรรษาแล้วเมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นปติญญาเป็นคนวิกลจริตปติญญาเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านปติญญาเป็นคนกระสับกระส่ายเพราะเวทนาปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นอาบัติปตินยาเป็นผู้ถูกสงลงอุกเขเปนยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติปตินยาเป็นผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปเมื่อมีผู้รับแทนที่สมควรสงก็พึงให้ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นปติญญาเป็นบันดอกปติญญาเป็นคนลักกะเพศปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียร์ถีปติญญาเป็นสัตว์เดียรฉานปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปติญญาเป็นผู้ทำลายสงปติญญาเป็นผู้ทำ้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิตปติญญาเป็นอุพะโตพยัญชนกสงเป็นเจ้าของจีวร น, นั้น375ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้วหลีกไป เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งกันเมื่อมีผู้รับแทนที่สมควรสงพึงให้ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้วเมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งกันสึกเสียมรณภาพลงปฏิญญาเป็นสามเณร ปติญญาเป็นผู้บอกลาสิกขาปติญญาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุสงเป็นเจ้าของจีวร น, นั้นภิกสุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกสุที่จำพรรษาแล้วเมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งกันปติญญาเป็นคนวิกลจริตปติญญาเป็นคนมีจิตฟุ้งสร้าง ปติญญาเป็นคนกระสับกระสายเพราะเวทนาปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุกเขปนยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุกเขปนยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลทิฏฐิบาปเมื่อมีผู้รับแทนที่สมควร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 สงเป็นเจ้าของจีวร น, นั้น